บทว่าอาหิโตคินิความว่าเพราะเหตุที่นายโคบานทั้งหลายก่อไฟสามชนิดก็คือไฟล้อมรอบไฟควันและก็ไฟผิงและพวกนายโคบานเหล่านั้นก็ได้ก่อไฟทั้งสมชนิดนั้นขึ้นในเรือนของนายเทนิยะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขากล่าวว่าเรานี้ก่อไฟแล้วหมายถึงไฟล้อมรอบในที่ทั้งหลาย ย่อมแสดงถึงการป้องกันการเข้ามาแห่งเนื้อร้ายก่อไฟเพื่อไล่เสือเป็นต้นเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมาข้าวเอาวัวไปหมดเมื่อเรากล่าวว่า เ, าเมื่อเขากล่าวว่าเรานี่ก่อไฟแล้วไม้เอาไฟควันซึ่งก่อจากวัตถุทั้งหลายมีโคมไมเป็นต้นแปลว่าสมควันเนี่ยนะสมควันเพื่อจะไล่ไล่อะไรไล่เหลือบไล่ยุงเป็นต้นเมื่อกล่าวว่าเรานี่ก่อไฟเสร็จแล้ว หมายถึงไฟผิงในที่นอนทั้งหลายของพวกโคบานคนดูแลโคแสดงถึงการกำจัดอาพาธอันเกิดจากความหนาวของพวกนายโคบานของเขาเขาแสดงอยู่อย่างนี้ก็เกิดความปีติและโสมนัสขึ้นเพราะตนเองก็ดีโคทั้งหลายก็ดีบริวารชนก็ดีไม่มีอาพาธไรๆซึ่งมีฝนเป็นปัจจัยก็เลยท้าฝนเลยว่าแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเมื่อท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด เก่งมากเลยนะท้าทายฝนได้นะนะ่ยก็ไม่มีอะไรทําให้หนักใจแม้แต่นิดเดียวฝนจะตกมาสักสามวันเจ็ดวันก็สบายเข้าของเครื่องใช้ก็มีเพียบพร้อมไปหมดเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับสบายเลยเหมือนกันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนชาวท้องทุ่งเหมือนกันนะว่าไปนี่บอกเอ๊ะมันสบายยังไงนะคนในเมืองบางทีนึกไม่ออกแต่บางคนเขาเขาก็มีความสุขจริงๆฝนตกลงมาก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนซะบ้างอะไรเงี้ยนะ เมื่อนายทนิยะกล่าวอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ณพระคันตกุตีอยู่ในพระคันธกุตีณนะพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสดับเสียงของนายทนิยะนั้นด้วยโสตะาธาต์อันเป็นทิพย์ซึ่งบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตะาธาต์ของมนุษย์เนี่ยนะโอเสียงเพลงเนี่ยดังถึงเชตวันเนี่ยนะดังเป็นพันกิโลเลยอ่ะแสดงว่าพระพุทธเจ้าหูทิพย์ได้ยิน ก็แลพระองค์ได้สะดับอย่างนั้นแล้วก็ตรวจดูซึ่งสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุพุทธจักสุเป็นชื่อของตรวจดูด้วยอาสญานุสญยาญกับอินทรียโปรประยตยานพระองค์ก็ตรวจดูก็เห็นนายทนิยะพร้อมกับพรยาของเขาเพราะองค์ก็ทรงทราบทันทีเลยว่าสามีและพรยาคู่นี้ถึงพร้อมแล้วด้วยเหตุแปลว่าเป็นคนมีบุญสังสมบูรณ์มาดีมากมีอุปนิสัยบรรลุมรรคผลได้ ถ้าเราจะไปแสดงธรรมเขาแม้ทั้งคู่ก็จักบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเราจักไม่ไปพรุ่งนี้เขาทั้งสองจักพินาศเพราะห่วงน้ําพรุ่งนี้เช้าเนี่โน่นน่ะอยู่ต้นทะเลนั่นแหละนะถ้าไปวันนี้บรรลุมรรคผลถ้าไม่ไปพรุ่งนี้โน่นน่ะไปเก็บเอาใต้ทะเลในขณะนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของนายเทนิยะโดยทางอากาศ ซึ่งเป็นระยะทางเจดโยต์จากเมืองสาวัตถีแนะก็หลาย10บร้อยกว่ากิโลเนยนะเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ประทับยืนอยู่บนกระท่อมของเขานายทนิยะก็กล่าวคาถานี้อยู่บ่อยๆ ย, ยังไม่ทันจบคือพระพุทธเจ้านี้พอได้ยินเสียงด้วยทิพโสตตะาปะ้าผ์ก็ตรวจดูแล้วเนี่ยนะแต่การตรวจดูของพระพุทธเจ้านี่อาจจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีด้วยซ้าไปก็เรียบร้อยเสร็จแล้ว นายธริยะก็กล่าวคาถานี้อยู่บ่อยๆพูดยังไม่ทันจบพระผู้มีพระภาคก็เสด็จมาทั้งที่เขายังกล่าวอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าพอสดับคาถานั้นแล้วเพื่อจะแสดงว่าชนทั้งหลายผู้พอใจแล้วหรือเป็นผู้สละแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ก็หาเป็นอย่างนี้ไม่คือหมายว่าถึงแต่ตระเตรียมอย่างนี้อย่างที่พูดก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขจริงอะไรหรอกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตอบ ตอบภาษิตเหมือนกันโดยพยายามชนะแต่ความหมายต่างกันบอกว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธมีกิเลสดุจหลักต่อปราดไปแล้วเรามีการอยู่สิ้นราตรีหนึ่งที่ฝั่งแม่น้ำมหีกระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วไฟก็ดับแล้วแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงเถิดนะคำพูดคล้ายกันแต่ความหมายต่างกัน ของนายที่นี่ย่าก็บอกว่าเตรียมทุกอย่างเบ็ดเสร็จกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ น, นะพวกนมเป็นต้นก็เตรียมไว้เบ็ดเสร็จแล้วพวกไฟผิงบริวารชนทุกคนก็อยู่ดีมีสุขตกมาเธอโฟนเลยปาณนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรงกันขําแล้วใช่ไหมบัตรนี้เราไม่โกรธแล้วกิเลสที่เหมือนหลักตอ น, นี่ก็หมดแล้วคืนนี้เราจะอยู่ที่นี้คืนหนึ่งประั้นกระท่อมคือหลังคานี่เปิดแล้วของเขาบอกหลังคาเขาปิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกหลังคาของพระองค์เปิดแล้ว เขาบอกว่าไฟเขาก่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกไฟของพระองค์ดับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตราัถนะจะตกก็ตกมาเธอโฟนอธิบายตามลําดับว่าปักโกธโนกับบทว่าอักโกธโนนี้มีอัตถะเหมือนกันอธิบายว่าบทว่าอักโกธโนคือมีความไม่โกรธเป็นสภาวะนะบอกว่าเราเป็นผู้มีความไม่โกรธความว่า ความโกรธซึ่งมีอาคาตะวะัตถุมีประการดังกล่าวแล้วว่าคนโน้นเคยว่าเราคนโน้นเคยด่าเราคนโน้นจากด่าเราคนโน้นเคยสร้างความพินาศให้แก่เราเป็นต้นเนี่ยนะไอความอาคาที่โกรธนะประรบเหล่านั้นเนี่ยเรากําจัดได้แล้วดังนั้นความโกรธแม้หน่อยหนึ่งซึ่งเกิดอยู่แก่คนบางคนทําใจให้เร่าร้อนความโกรธอันนั้นเราได้ดับสงบแล้ว ทีนี้พูดถึงไอ้ลำดับของความโกรธเนี่ยนะแต่ละคนที่โกรธเนี่ยเรียกว่าอะไรนะประสิทธิภาพของความโกรธหรือปริมาณแห่งความโกรธไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยนะย่อมเพียงทำหน้าสยิวของคนโกรธใดให้เกิดขึ้นนะนะทำหน้าเนี่ยนะหน้าหน้าปกตินี่หน้าอะไรนะยิ้มไม่ออกแล้วไม่ยิ้มแล้วเลือดดำสูบฉีดเต็มที่แล้วบางคนนี่โกรธแรงกว่านั้นอีกโกรธแรงกว่านั้นเป็นยังไง ปรารถนาจะกล่าวคําหยาบแรงกว่านั้นอีกก็คือคือใจนี่หมายหยาบจะด่าเต็มทีแล้วแม่คันปากเต็มทีแล้วนี่คางสันเลยแรงกว่านั้นก็เลยคางสันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพูดคำหยาบด้วยความโกรธที่แรงกว่านั้นอีกพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าด่าเสร็จไม่สะใจก็เลยเลี้ยวหาท่อนไม้สาตราละดูทิศน้อยทิศใหญ่นะเลี้ยวดูแล้วมีอะไรพอจะเล่นงานได้บ้าง อีกคนหนึ่งโกรธแรงกว่านั้นก็จับท่อนไม้จับสาตราอีกคนที่โกรธแรงกว่านั้นก็ถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งเข้าไปใส่ด้วยความโกรธโกรธแรงกว่านั้นก็ซัดเลยสองสามตุบตับตุ บ, ต, บตับไปเลยบางคนก็โกรธแรงกว่านั้นฆ่าแม้กระทั่งญาติสายโลหิตของตนแต่คนนี้โกรธแรงกว่านั้นฆ่าเขาเสร็จเกิดเดือดร้อนใจก็เลยฆ่าตัวเองตามเหมือนกับอมร์ชาวกาลขามในเกาะสิงหหน แสดงว่าอัมมาตคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันฆ่าญาติเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามสมัยนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมตำรวจหลายคนบางคนนี่ก็ฆ่าลูกน้องเสร็จฆ่าครอบครัวเสร็จก็ฆ่าตัวตายตามก็มีซึ่งสมัยนี้ก็ได้ข่าวปกติเนี่ยนะฮัลลลักษณะของความกโกรธอนุภาพของความกโกรธนี่ก็แตกต่างกันไปประดุดไฟเนี่ยนะ ไฟที่ก่อขึ้นก่อขึ้นไฟบางที่ก็ไม่สุมควันสุมเล็กสุมน้อยมันก็ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฉันใดความโกรธก็แรงขึ้นแรงขึ้นฉันนั้นเนี่ยนะบางคนก็โกรธถึงขนาดว่าฆ่าฆ่าแม้กระทั่งลูกฆ่าหลานฆ่าครอบครัวตัวเองเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามความโกรธทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าละได้แล้วที่โคนต้นโพทําให้ความโกรธอันนั้นเหมือนตานยอดด้วนแล้วหมายาว่าไม่มีการงอกเงยขึ้นอีกต่อไป จะด้วยปัจจัยใดพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระองค์ก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธแล้วด้วยอนาคามีมัคณาณาคามีมัคของพระองค์ได้ตัดเหตุตัดปัจจัยตัดสมุทัยแห่งความโกรธวัตถุแห่งความโกรธเราใดพระพุทธเจ้าทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะทำปริญญาในทุกขเวทนาในอาเปียรูปอสซาตูปใบเบ็ดเสร็จหมดแล้วไม่มีปัจจัยแห่งความโกรธเราใดอีกต่อไปไม่มีกิเลสดุดหลักตอนเนี่ยนะ วิคตะขีโลเนี่ยไม่มีกิเลสดุดหลักต่อด้วยว่าที่จริงคีละคีโลตัวนี้หมายถึงตะปูตรึงใจนะด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงกิเลสเพียงเหมือนตะปูตรึงใจห้าอย่างเหล่าใดตะปูตรึงใจนี่แหละที่ทำให้จิตเป็นสภาพที่แข็งกระด้างตะปูตรึงใจเนี่ยนะมีอะไรบ้างตะปูตรึงใจหนึ่งเกิดความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสามสงสัยในพระสง สี่สงสัยในสิกขาห้าโมแต่ทะเลาะกันทะเลาะพวกเดียวกันเนี่ยแหละก็ตะปูตรึงใจทําให้ใจเป็นดุดหลักตอ่อไม่ทําความเพียรเพื่อเพิ่มกุศลที่ยังไม่เกิดแล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ตามรักษาเพรานั้นอา ก, กุศลก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นท่วมทับเอาเรียกว่าตะปูตรึงใจตรงนี้บอกว่ากิเลสเพียงดังหลักต่อเนี่ยนะ อธิบายว่าเมื่อฝนอันเป็นเหตุแห่งกุศลมีการฟังพระสัตวธรรมเป็นต้นแม้ตกรถอยู่ที่จิตอันสัมปยุตด้วยหลักตอ่อเพราะกิเลสมีหลักต่อเหล่าใดกุศลก็ไม่งอกขึ้นเปรียบเหมือนแม้เมื่อฝนตกอยู่ตลอดสี่เดือนในมูภูมิภาคอันเป็นเหมือนหลักตอ่อคือมีหินกรวดมากข้าวกล้าทั้งหลายก็งอกขึ้นไม่ได้เชนนั้นกิเลสเพียงดังหลักต่อเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละได้แล้วโดยประการทั้งปวงที่ควงแห่งต้นโพนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นผู้ปราศจากกิเลสดุดหลักตอแล้วก็จริงนะเพราะว่ากิเลสดุดหลักตอ น, นี่เวลาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเนี่ยนะเช่นมันสงสัยในพระรัตนตรัยหรือว่าโกรธใครสักคนอย่างนะธรรมะนี่กรอกเข้าไปเถอะไม่เข้าสักหยดเดียวนะหูเนี่ยมันจะเปิดดังสนั่นไปหมดไม่ได้ยินหรอกธรรมะนี้ไม่ได้ยิน นึกได้แต่เรื่องที่มันน่ากโกรธเท่านั้นนะ่ะมัแต่โกรธมัแต่สงสยัยต่างงิดต่างงิดอยู่นั่นแหละเั้นฝนเรียกว่าพระสัทธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเนี่ยเสียงธรรมมามันจะตกมาใส่หูขนาดไหนก็ขั้งเละไม่เข้าสังใจโรคนะนะ่ะเพราะอะไรเรมัวแต่มัวแต่สงสัยอยู่นั่นแหละมัแต่สงสัยม้วแต่โกรธนะมัแต่ไม่พอใจโมัแต่หงุดหงิดมัแต่ราําคาญ พันเหมือนกับฝนตกลงในที่ที่อะไรนะที่ดอนๆที่มันมีแต่กรวดมีแต่หินตกลงมาขนาดไหนฝนตกลงมาเถอะไปปักไปดำยังไงมันก็เข้ากล้าก็ไม่งอกฉันใดผู้ที่มีกิเลสดุดหลักตอก็เหมือนกันฉันนั้นกูโสลธรรมทั้งหลายก็ไม่เจริญโงกเงยเลยเนี่ยนะพันฝนฝนแห่งธรร ม, มะจะตกขนาดไหนก็ไม่เข้าถึงใจนะมันปิดใจที่จะอะไรนะ โดยโดยทั่วๆไปการฟังทำเก็บอกว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคําว่าจงฟังก็คือจงรับปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิจากภายนอกคือปรโตโฆสัจงใส่ใจให้ดีก็คือตั้งโยนิโสมนัสิการเพราะว่าปัจจัยภายในคือการฟังปัจจัยภายนอกคือการฟังปัจจัยภายในคือโยนิโสมนัสิการอันนี้เป็นเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนี่ถ้าไอ้ถามว่าในการฟัง เมื่อมีการฟังแล้วที่สำคัญมากก็คือการใส่ใจมันถ้ามีกิเลส ด, ดุดหลักตอมไม่ใส่ใจโรคเนี่ยนะใจมันก็คิดไปเรื่อยบาปอากุศลก็กลุ้มรุมแล้วก็ท่วมทับมันก็สรุปว่าปล่อยวันให้ผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อมีการอยู่สิ้นราตรีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่ที่นั้นคืนหนึ่งนะอยู่สิ้นราตรีหนึ่ง เหมือนอย่างว่านายธนิยะนั้นเข้าอยู่ประจําตลอดสีเดือนที่ฝั่งแม่น้า ม, มหามหีนั้นฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นฉันนั้นก็หาไม่ได้ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอยู่ในที่นั้นเพียงคืนนั้นเท่านั้นเพราะความเป็นผู้ใครประโยชน์แก่นายธนิยะนั้นประโยชน์ไหนโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งคืออรหัตผลนนะพระองค์ต้องการประโยชน์คืออรหัตผลแก่นายธนิยะและ ภรยาของนายทนิยะคําว่ากระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วเนี่ยนะกระท่อมกระท่อมในที่นี้เป็นเชื่อของอัตภาพอัตภาพชื่อว่ากุตีกุตีก็คือกระท่อมนั่นแหละกุตินะก็คือกระท่อมนั่นแหละด้วยว่าอัตภาพอาศัยอํานาจแห่งประโยชน์นั้นนั้นแต่ว่าในพระไตรปิฎกนี้ใช้หลายศัพท์ร่างกายหรืออัตภาพใช้หลายศัพท์เช่นใช้คาไมาว่ากาย คูหาเคหะนะคูหาก็คือถ้ำใช่เคหะก็คือบ้านสันเทหะสันสันเทหะก็คือบ้านเหมือนกันนาวาคือเรือรถหรือวณนนะคือแผลทะชะทงวังมิกะจอมปลวกกุตีกระท่อมเรียกว่ากูติกาฉะนั้นสับว่าร่างกายเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้หลายสับด้วยกันนะเปรียบเทียบอุปมาด้วยนัยะต่างๆด้วยกัน แต่ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกอัตภาพว่ากุติเพราะอาศัยอะไรอาศัยกระดูกเป็นต้นถึงการนับเข้าว่าเป็นกายเหมือนกุติที่ได้นามว่าเป็นเรือนก็าอาศัยไม้เป็นต้นนั่นอย่างที่พระสารีบุตรกลา่าวไว้ในมหาหัตถปโทปะมะสูตรว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายอากาศอาศัยไม้อาศัยถาวรอาศัยดินและยาก เป็นต้นแวดล้อมแล้วย่อมถึงการนับว่าเป็นเรือนแม้ฉัน้นใดดูก่อนอนาะวุโสทั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังเป็นธรรมชาติแวดล้อมแล้วย่อมถึงการนับว่ารูปฉันนั้นนะเพตรงที่อากาศเนี่ยเทียบบ้านเรือนคืออะไรก็ที่มีองค์ประกอบเนี่ยนะแวดล้อมด้วยข้าวของต่างๆก็เรียกว่าเรือนร่างกายของเราก็เหมือนกันประกอบไปด้วยอะไรมัง่งนั่นแหละก็เรียกว่าอัตภาพฉันนั้นเพราะนั้นอัตภาพนั้นเป็นชื่อของ กายนี้หรือกุติเป็นชื่อของกายอีกอย่างหนึ่งอัตภาพชื่อว่ากุติก็เพราะเป็นที่อยู่ของลิงคือจิตเนี่ยนะนะที่เลี้ยงพยานวานนอนให้ดีกันแล้วกันเนี่ยนะจะนั่งฟังธรรมแล้วก็ออกมากระโดดเจี้ยวไปหมดเลย